ยาซีเรียตเรื่องความสุขของขอทานเศรษฐีกับขอทานปลูกบ้านอยู่ตรงข้ามกันทุกเย็น เศรษฐีจะเดินมางุนงานงุนงานอยู่หน้าบ้านเดินอยู่จนดึกดื่นนอนไม่หลับเพราะกลุ่มใจเรื่องรายรับรายจ่ายปวดหัวเรื่องบัญชีกังวลกลัวว่าธุรกิจจะล้มจะขาดทุนกลัวคนโกงกลัวพนักงานยักยอกทรัพย์สินส่วนขอทานบ้านตรงข้ามทุกเย็น ก็มานั่งเป่าคลุยกระดิกเท้าอยู่หน้าบ้านจนมืดคำ่ำจึงเข้านอนเศรษฐีเห็นขอทานนั่งเป่าคลุยทุกเย็นก็เกิดสงสัยเย็นวันหนึ่งเดินเข้าไปหาขอทานแล้วถามว่าเฮ้ยเราเกิดมาไม่มีทุกข์ไม่ร้อนกับเขาหรืองไงนั่งเป่าคลุยอยู่ได้ทุกเย็นขอทานหัวเราะ ท่านเศรษฐีจะให้ผมทุกร้อนเรื่องอะไรละ่ะผมขอทานได้วันละสิบบาทผมก็มีความสุขแล้วพอค่าอาหารแล้ววันนี้พรุ่งนี้ก็ไปขอใหม่บ้านช่องก็ไม่มีค่าอะไรบ้านผู้ภูผงพั ง, พงอาศัยหลับนอนไปวันวันพอกินอิ่มก็มานั่งเป่าคลุย พอสบายใจก่อนนอนหลับไม่รู้จะกลุ้มเรื่องอะไรอ้าวแล่าเงินทองทรัพย์สมบัติเราไม่มีบ้างเหรอไม่มีหรอกขอทานได้มาเท่าไรก็กินก็ใช้หมดก็พอกินพอใช้ไปวันวันเศรษฐีเห็นชีวิตขอทานแล้วสงสารจึงหยิบเอาเงินที่ติดตัวมาส่งให้ขอทานไปปึกหนึ่ง เอาเก็บไว้ใช้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาแก่เท่าออกขอทานไม่ไว้จะได้ไม่ลาบากมีเงินใช้จ่ายเศรษฐีพอให้เงินขอทานเสร็จก็สบายใจมีความสุขนอนหลับสบายแต่เหตุการณ์ประหลาดได้เกิดขึ้นเสียงคลุยที่ดังโหยหวนพายเราะเสนอหูทุกเย็น สองวันนี้เริ่มขัดขาดให้หายดังบ้างไม่ดังบ้างพอวันที่สามก็หายไปเลยเศรษฐีไม่ได้ยินเสียงกลุ่ยอีกเลยเศรษฐีสงสัยคิดในใจว่าขอทานคงจะป่วยหนักหรือตายไปแล้วด้วยความเป็นห่วงก็รีบมาดูพอโผล่เข้ากระต๊อบ เห็นร่างของขอทานนั่งอยู่บนแคร่หน้าตาโซมเหมือนผีตายซ่าเซธีเห็นภาพเช่นนั้นก็ตกใจถามว่าเราเป็นอะไรทำไมถึงโซมอย่างนี้แล้วทำไมมีเป่าคลุยผมไม่ได้นอนมาสามคืนแล้วครับต้องคอยย้ายที่ซ่อนเงินที่ทันให้ทุกสองชั่วโมง กลัวว่าใครเห็นแล้วจะมาขโมยไปในช่วงสองชั่วโมงที่ว่างก็ต้องไปซ่อมกระต๊อบที่เป็นรูโวต้องหาอะไรมาปิดกลัวคนแอบดูแล้วรู้ความลับว่าผมสอนเงินไว้ตรงไหนสามวันที่ผ่านนี้ผมเป็นทุกข์และวุ่นวายมาก ไม่เป็นอันกินอันนอนต้องทำงานทั้งกลางวันกลางคืนวันนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าจะเอาเงินคืนฐานเศรษฐีผมจะได้กินได้นอนหลับและมีเวลาเป่าคลุยอย่างมีความสุขเหมือนเดิม <c oughs>